นี้ไปพึงพากัะตั้งสติสัมรวมใจสัมรวมกายให้นิง่งให้สงบอย่าไปคิดถึงเรื่องอะไรต่ออะไรที่เป็นอดีตล่วงมาแล้วแล้วก็จะไปคิดถึงเรื่องอนาคตว่าเรานั a นจะต้องทําอย่างโน้นจะต้องเป็นอย่างนี้ คาดการล่วงหน้าไปอยู่อย่างนั้นมันไม่แน่นอนเลยเป็นเครื่องหลอกใจเสียเปล่าสิ่งใดที่มันเป็นมาแล้วมันก็ล่วงมาแล้วจะเอาไปกลับคืนไปอย่างเก่าก็ไม่ได้เพราะถูกทิ้งอย่างมันเกิดแล้วดับไปมันก็ผ่านไปผ่านไปอย่างนั้นแหละแต่ว่ามันสคัญที่ใจของคนเรานี่สิ มันยังไปยึดถือเอาไอ้เรื่องที่มันเกิดแล้วดับไปนั่นคืนมาอยู่อันนี้แหละมันจึงได้เกิดเป็นทุกข์เดือดร้อนนะ <c oughs> มันจึงได้คล้องอยู่ในสงสารอันนี้จึงต้องเที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่นี่ก็เพราะใจนี่แหละมันไปคล้องอยู่ในเรื่องต่างๆที่มันร่วงมาแล้วน่นนะส่วนมากเรื่องอนาคตก็มีน้อยอยู่หรอกส่วนมากมัน ไปกาอไปคล้องเรื่องอดีตนู่นอันนี้ <c oughs> อันมูนี้นะเป็นหน้าที่ของเราผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาเราควรศึกษาให้รู้แนวทางสำหรับที่จะทำใจให้สงบลงไปเพราะว่าจิตใจอันนี้นะมันฟุ้งซ่านเลื่อนลอย ไปตามอำนาจของกิเลสนั้นมามากต่อมากแล้วที่โล่งแล้วมานะมันนับชาติไม่ท้วนเลย <c oughs> จนมาถึงปัจจุบนันนี้ถ้าหากว่าเราไม่น้อมเอาพระธรรมคำสอนของเราพระพุทธเจ้าเข้ามาสู่จิตใจนี่แหละจิตนี่มันก็จะไม่ยอมหยุดนิ่งอยู่ได้เลยมันเคย ท่องเที่ยวไปที่ไหนมันก็เที่ยวไปที่นั้นมันเคยยึดเคยถือสิ่งใดมามันก็จะบกไปยึดไปถือสิ่งนั้นแหละท่านจึงเรียกว่านิสัยนั่นแหละหรือว่าอัธยาศัยนิสัยนี่คือว่ากิรลยาอาการกายวาจาใจใจที่เคยทำมาเคยพูดมาเคยคิดเคยนึกมาอย่างไรอะ นั่นแหละมันก็ติดมาจนถึงปัจจุบันนี้อย่างบุคคลที่มากไปได้วยความรักความใคร่มาแต่ก่อนอย่างนี้นะแล้วก็ไม่ได้ละไม่ได้ถอนออกไปหรือไม่ไม่ได้ทําให้มันเบาบางเลยอย่างนี้มาชาตินี้จิตนี้มันก็ชอบจะคิดพุ่งไปหาความรักความใคร่นั่นแหละไปหาสิ่งที่ตนรักตนใคร่นั่นแหละ บางคนมีนิสัยชอบเป็นคนขี้โกรธมาแต่ก่อนแล้วก็ไม่ได้เห็นโทษของมันเลยแต่ชาติก่อนห้ืหลังก็ดียืดออามันติดตามมาจนถึงปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นบางคน่ะมันถึงชอบโกรธใครทำอะไรพูดอะไรไม่ให้เป็นที่พออกคอใจแล้วมันก็โกรธสุนเฉียวขึ้นมาเลย นี่แหละความโกรธอันนี้มันจะพาให้บุคคลผู้นั้นทําชั่วนะอืมถ้าบุคคลได้ไม่เห็นโทษของมันไม่ยับยั้งมันแล้วแน่นอนเลยมันต้องบังคับให้ทําชั่วด้วยกายวาจาอย่างใดอย่างหนึ่งก็หมายถึงว่าเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นนั่นแหละเพยพูดง่ายๆบางคนก็ทําตนเป็นคนเจ้าความคิด มาแต่ก่อนนู้นคิดไม่มีสถานีไม่มีจุดหมายปลายทางว่าจะนึกได้แล้วก็คิดไปวิจารณ์ไปไม่ทราบาดีหรือชั่วไม่ว่าเจอเรื่องดีก็คิดดีไปเจอเรื่องชั่วก็คิดชั่วไปรุงแต่งความชั่วนะมันมีกำลังมากขึ้นจนมันได้ลงมือทำความชั่วนั้นโดยกายด้วยวาจา ไม่รู้ตัวว่ามันเป็นความชั่วอะไรนี่แหละเรียก ว, ว่าบุคคลผู้ถูกความหลงครอบงําอ ะ, อะยึดเอาความหลงเป็นเพื่อนเดินทางท่องเที่ยวไปในสงสารนี่ก็เป็นคนหลงอยู่นั่นแหละถ้าไม่เห็นโทษของมันนะัะถ้าไม่ถ้าวินิจฉัยตัวเองไม่ได้นะถ้าผูใ้ใดวินิจฉัยตัวเองได้ว่าอื ไอ้เรานี้ชอบเป็นคนหลงนะมีความหลงเป็นพื้นอยู่ในจิตใจมาถ้าผู้ใดระลึกถึงตัวเองได้อย่างนี้ก็ยังชั่วหน่อยนะมันก็จะพยายามหาอุบายวิธีขจัดความหลงอันนั้นออกจา ก, กจิตใจวิธีขจัดความหลงออกจากจิตใจก็ได้แก่การฟังการศึกษาเราเรียน วิชาความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมแ้วการไต่ถามท่านผู้รู้ทั้งหลายในเรื่องที่ตนข้องใจไม่ปล่อยให้มันข้องใจอยู่เปล่าๆจาเรื่องที่ตนสงสัยลังเลไม่รู้แจ้งอันนั้นไว้แล้วก็ได้พบท่านผู้รู้ทั้งหลายก็เรียนถามท่านผู้รู้นะท่านก็จะได้อธิบายชี้แจงให้ฟัง มันก็จะได้เกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมาหายสงสัยในเรื่องนั้นนี่ ว, วิธีแก้ความหลงก็เป็นอย่างนี้แหละถ้าว่าแก้แบบใกล้ชิดเข้าจริงๆเนี่ยก็ได้แก่การเจริญอนาปานาสตินี่แหละเห่งลมหายใจเข้าหายใจออกนี่มาทำความรู้กายรู้จิตตัวเอง ให้ที่เข้าไปโดยลำดับ <c oughs> <c oughs> เมื่อเมื่อทำความรู้กายรู้จิตตัวเองมากไปโดยลำดับนี่ไอความหลงความเพิดเพลินมัวม อ, มอไปโดยไม่รู้ตัวมันก็ห่างออกไปอ่าเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเมื่อมันมารู้ตัวนี่อยู่เสมอแล้วมันก็รู้ได้แบบนี้นะเรื่องที่ตนยึดตนตนถือโมนั้นไม่เป็นสานราประโยชน์อะไร มันก็รู้ความรู้อย่างนั้นมันก็กำหนดวางก็ไม่ส่งจิตไปตามเรื่องที่เคยยึดเคยถือมาแต่ก่อนนั้นเนี่ยการทำความรู้สึกตัวนี่นะนะัว่าสำคัญมากให้พากันเข้าใจการที่บุคคลละเลยตัวเองไม่ทวนกระแสจิตเข้ามาเพ่งดูกายดูจิตอันนี้นะมันก็ความหลงก็เข้าครอบงำจิตใจได้เลย เป็งนงั้นเป็นเหตุให้ทำอะไรไปพูดอะไรไปบางทีก็ผิดบางทีก็ถูกไปอย่างนั้นเลยอ่เพราะว่ามันมันขาดสติสมบัติยัญขาดวิจารณญาณทำไปตามความชอบใจเมื่อตนชอบใจอะไรลงไปแล้วก็ทำลงไปพูดไปไม่ได้วิจารณ์ดูว่าเรื่องที่ตนจะทำ เรื่องที่ตนกำลังจะพูดอยู่นี่นะมันผิดหรือถูกดีหรือชั่วไม่ได้ไม่ได้วิจารณ์ดูเลยเนี่ยเรียกว่าคนขาดปัญญาขาดสัมปัสชัญญ้ญยะนั hmm. ่นก็เป็นอย่างนี้ก็หลงไปก็ทำให้เกิดความพุ่งส่านแห่งจิตใจไปลักษณะของความหลงเป็นอย่างนั้น ทำให้ใจฟุ้งซ่านทำให้ใจโหดทูวน่นี่บางคาวหมดฟุ้งซ่านเกินขอบเขตไปสงบลงไม่ได้เลยเอา้าบางคาวหดโหดทูท่อแท้อ่อนแอต่อหน้าที่การงานชอบแต่อยากจะหลับแต่นอนท่าเดียว <c oughs> และบางทีก็ชอบสงสัยลังเล เรื่องบาบุญคุณโทษใครต่ออะไรมูนี่มันเป็นลักษณะความหลงทั้งนั้นเละอยถ้าพูดถึงลักษณะนะเป็นอย่างนี้ <c oughs> ทุกคนย่อมมีแน่นอนแหละความหลงนี่นะ่ะต่างกัน ม, มากและน้อยกู่กันเท่านั้นเละ <c oughs> ผู้ใดเป็นผู้ใดศึกษาเราเรียนมาได้สดับตรับฟังมามาก ได้สมาคมกับนักปลา์ดบันดิตบ่อยๆอย่างนั้นเนี่ยผู้นั้นก็จะบรรเทาความหลงออกจากจิตใจได้ทำให้ใจเกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมามีจิตใจเบิกบานผ่องแผ้วเมื่อใจเบิกบานแล้วมันก็ไม่โหดถูแล้วนี้นะไม่ย่อท้อไม่อ่อนแอต่อหน้าที่การงาน เ <c oughs> นี่ออยเพราะฉะนั้นนะทุกคนนะให้เข้าใจการที่เราจะทําความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปได้นั้นมันก็อยู่ที่เรามา ป, มปรับปรุงจิตใจนี่ให้มันเบิกบานผ่องใสอยู่ด้วยกุศลคุณงามความดีอย่าให้มันเบื่อต่อความดีอย่างนั้นเมื่อเรายินดีพอใจในบุญกุศลคุณงามความดี อยู่อย่างนี้คุณ ง, งามความดีเหล่านี้ก็ย้อมใจของเราให้เบิกบานทองใสไม่ให้เป็นคนใจเศร้ามองคุณมัวไม่ให้เป็นคนใจท้อแท้อ่อนแอต่อหน้าที่การงานต่างๆอันซึ่งเป็นการงานที่เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นนั้ น, น, นพอใจทำอย่างเต็มที่เลย <c oughs> ก็เคยเปรียบ ที่เรให้ฟังอยู่แล้วก็เหมือนอย่างบุคคลผู้มีทุนทำการค้าขายมากๆอย่างนี้นะมันก็ขยันบันเทียนสิเพราะมันมีทุนนี่นั่นแหละซื้อสินค้ามาแล้วเอามาวางขายลงไปอย่างนี้นะมีคนหลั่งไหลมาซื้อเข้าไปขายเอากำไรไปนะ่ะ เมื่อมันได้ขายของมากเข้าไปเท่าไรมันก็ยิ่งขยันเพราะมันได้เงินมากคนที่มีทุนน้อยจะไปลงทุนทำการค้าอะไรก็พอผุดเครื่องเป็นไปได้ยากอย่างนี้แหละพอรำคาญในที่สุดมันก็ทำให้ท้อใจเลยเพราะมีทุนน้อยนี้อันนี้แหละควรพากันเข้าใจ เมื่อเราเข้าใจได้อย่างนี้แล้วมันก็จะได้ไม่ประมาทเลยในการประกอบคุณงามความดีต่างๆเพราะว่ามันมารู้ตัวอยู่นี้รู้ว่าไอ้ตอนจะมีความสุขมากน้อยเท่าไดร่ะมันก็ขึ้นอยู่กับบุญกุศลความดีที่ตนสั่งสมมาเท่านั้นเองเนี่ย ไม่ใช่ว่าตนจะมีความสุขด้วยเหตุอื่นหามีได้เลยตนจะมีความสุขได้ด้วยด้วยความดีของสนทำ ม, มาแท้แท้แหละข้อนี้ถ้าผู้ใดไม่ใขค่ควรด้วยตนเองไม่พิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนก็รู้ไม่ได้เลยผู้ที่จะรู้ตัวเองได้อย่างนี้ก็อย่างว่าเนี่ยต้องฝึกจิตใจนี้ให้สงบควบคุมจิตของตนไว้ อย่าให้มันฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปตามเรื่องราวต่างๆในโลกอันนี้นะ่ะเพราะว่าเรื่องต่างๆในโลกนี้มันไม่มีสิ้นสุดเรื่องนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเรื่องอื่นเกิดขึ้นมาแทนถ้าผู้ใดปล่อยใจให้วิ่งไปตามเรื่องราวของโลกอันนี้นะ่ะแน่นอนแหละผู้นั้นต้องเป็นโรคประสาทจิตใจก็เศร้าหมองขุ่นมัว ไม่มีกำลังเลยเพราะว่าใจนี้ถ้าปล่อยให้มันคิดมากๆเข้าไปแล้วคิดไปคิดไปแล้วก็เสียใจบ้างดีใจบ้างรับแคนใจบ้างโกรธบ้างเหมือนนี่นะถ้าเป็นไปอยู่นี่แนะ่ะจิตนี่ไม่มีกำลังแล้ววันนี้ไม่มีกำลังที่จะทำความดีได้เลยให้เราหวัง ทุกคนต้องระวังจิตใจตัวเองอย่าให้มันเป็นไปอย่างว่านี่ต้องห้ามเมื่อได้พบกับความผิดหวังอยา่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาก็ห้ามจิตไว้ให้ได้อย่าให้มันโกรธอย่าให้มันเสียใจอย่าให้มันเศร้าโศกนี่เราต้องมีสติสัมปชัญญะควบคุมจิตไว้แล้วก็ปลอบจิตตัวเอง ก็ทุกส <mentor> <ide> ิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงจะให้มันได้สมหวังทุกอย่างไปจะได้มาแต่ที่ไหนอะถ้าทุกสิ่งอย่างมันเที่ยงมันก็จะสมหวังไปแหละสมหวังทุกอย่างแหละแต่นี่เหตุที่มันผิดหวังก็เพราะมันไม่เที่ยงเมื่อเราเตือนจิตจิตมันรู้ความจริงอย่างนี้แล้วมันก็ไม่เสียใจเศร้าโศกไม่โกรธไม่ขุนเคือง ใจมันก็เป็นปกติอยู่ได้สิ่งภายนอกนั้นมันก็เกิดดับเกิดดับอยู่ตามเรื่องของมันนั่นแหละเราจะไปส่งใจให้วิ่งไปตามความแปรปรวนของสิ่งแวดล้อมต่างๆไม่ไหวจริงๆเนียเป็นทุกข์หลายเลยทีเดียวแหละเช่นอย่างหาเงินหาทองได้มาอย่างนี้นะเมื่อได้มาแล้วกใช้ไปใจไปก็หมดไป ถ้าไม่หาใหม่มาชดเชยไว้ก็ลำบากแล้วบ่เนี้เดือดร้อนนะพอเมื่อบุคคลมีเงินมีทองมาแล้วไม่ใช้ไม่ใจก็ไม่ได้เพราะชีวิตมันเนื่องอยู่ด้วยปัจจัยสี่มีอาหารเป็นต้นก็จำใจต้องใจล้วจะมัหวงไว้ไม่ได้เลย <c oughs> อย่างนี้แหละก็ยังว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะ มันไม่เที่ยงมันก็ย่อมแปรปวนไปอย่างนี้แหละมันจะอยู่คงที่ไม่ได้เลยแต่เราก็อาศัยสิ่งที่ไม่เที่ยงนี่แหละทำให้เกิดสติเกิดปัญญาขึ้นคือว่าเมื่อมันผิดหวังเมื่อมันแปรปวนไปยังไงแล้วเราก็ใช้ปัญญาสอนจิตตัวเองไป หาอุบายมาปลอบจิตสอนจิตตัวเองให้มันรู้แจ้งเรื่องเหล่านั้นตามความเป็นจริงไปนี่มันเป็นบอกเกิดแห่งปัญญาได้สำหรับคนไม่ประมาทนะถ้าหากว่าอันใดก็ดีหมดอันใดก็สมหวังไปหมดอย่างนี้คนเรามันก็ขี้เกียจคิดแล้วนี่ไม่ไม่อยากคิดอะไรก็ไม่มีปัญญาสินั่นเพราะฉะนั้นยงว่าพระพุทธเจ้ายังตัว่า โยคาเวชายเตภูริปัญญาย่อมเกิดขึ้นเพราะความประกอบหมายค่าเมื่อมีเหตุอะไรมาถึงเข้าเรากําหนดเหตุด้านพิจารณามันอย่าไปปล่อยให้เหตุอย่าไปปล่อยให้จิตมันหลงยึดเอาเหตุอันนั้นมาทำความเสียใจดีใจครับแค้นใจอย่างที่ว่ามาแล้วนั้น เอากำหนดเอาเรื่องนั้นมาวินิจฉัยพี่นาให้รู้จริงตามสภาพความจริงมันแล้วก็เห็นว่าเรื่องนี้ถ้าขืนยึดถือเอาไว้มันก็เป็นทุกข์กเปล่าไม่มีประโยชน์อะไรอะ่ะก็เมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็ปล่อยวางมันเท่านั้นเนี่ยไม่ยึดถือมันไว้เพราะมันรู้แจ้งด้วยปัญญานี่นั่นเนี่ยจิตมันก็เลยไม่ได้เป็นทุกข์เป็นอย่างนี้ เพราะฉะนั้นแหะคำสอนของพระพุทธเจ้านะ่ะจึงได้ทรงแสดงทำอันเป็นเครื่องเทียบไว้ว่าสันติโกผู้ปฏิบัติย่อมรู้เองเห็นเองอือันนี้เรียกว่าเป็นบทแห่งพระธรรมว่าคุณสําหรับเป็นเครื่องตัดสินว่าอันพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านะั้นน่ะทําอย่างไรจึงจะเป็นประโยชน์แก่ตน แต่หม า, มายความว่าเราต้องปฏิบัติตามน้อมพระธรรมนั่นเข้ามาสู่จิตใจไม่ใช่ว่าเรียนแล้วจําเอาไวโ้โก้ๆเฉยๆเช่น mm. อย่างเมตตาธรรมกรุณาธรรมอย่างว่ามาแล้วนั่นแหละถ้าเราไม่น้อมเข้าไปในใจไม่อนึกไม่คิดไปในทางเอ็นดูสงสารบุคคลอื่นสัตว์อื่นอไม่คิดอยากจะช่วยตนเองแล้วผู้อื่นให้พ้นทุกข์ อย่างนี้เมตตาการุณาอันนั้นมันก็เป็นในตัวหนังสืออยู่ตามตำราเฉยๆนี่แหละไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรแก่ใครเลยต่อมาพนันน้อมเข้าไปนึกคิดไปตามแนวของเมตตาอันนั้นนะจนว่าชันิชํานานจนว่าจิตใจนั้นเกิดความรู้สึกเปลี่ยนแปลงจากความโกรธความพยาบาท ต่างๆนั้นมาเป็นความเมตตาปรารถนาที่จะให้ตนและผู้อื่นเป็นสุขทั่วหน้ากันไปเลยไม่ปรารถนาที่จะให้ใครเป็นทุกข์เดือดร้อนนี่บารนี้ก็หมายความว่ากับเมตตาธรรมมันก็เกิดขึ้นในใจแล้วบารนี้กรุณาความเอ็นดูสงสารทั้งตัวเองทั้งผู้อื่นมันก็เกิดขึ้นน <c oughs> แต่สําหรับผู้อื่นนั่นน่ะเราก็ช่วยเขาเท่าที่เราจะช่วยได้เท่านั้นแหละ ถ้าหาว่ามันเหลือวิสัยแล้วพระศาสดาก็ทรงสอนให้วางอุเบกขาลงถ้าเราไม่สามารถที่จะช่วยเขาได้แล้วก็ให้นึกว่ามันเป็นกรรมเป็นเวรของเขาเองอํานาจแห่งกรรมเวรที่เขาทํามานั้นมันตามมาให้ผลไม่มีใครที่มีอํานาจไประ ง, งับกรรมชั่วของบุคคลอื่นได้ไม่มีนี่แหละพระศาสดาทรงสอนให้นึกถึง กรรมของสัตว์มาเป็นอารมณ์แล้วก็เป็นเหตุให้วางเฉยลงได้พอเมื่อเมื่อเมื่อรู้ว่ากรรมของเขาสนองเขาเองแล้วอย่างนี้แล้วเราไม่มีโอกาสที่จะช่วยเขาได้อย่างนี้ก็มีได้ทางวางอุเบกขาลงเท่านั้นตนจึงไม่เสียหายไม่เศร้าหมองแต่ถ้าหาก ว, ว่าไม่มีอุเบกขาทำเกิดขึ้นในจิตใจแล้ว หากว่าช่วยเขาไม่ได้มันผิดหวังไปก็จะไปเศร้าโศกเสียใจที่ไล่ลํำพันอยู่นั้นก็เป็นทุกข์ใจเปล่าๆอืมเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นไอ้พมอวิหารตีเนะ่ก็องค์จะได้ทรงแสดงอุเบกขาไว้สุดท้ายเลยกันเมื่อเราบำเพ็ญคุณธรรมสามประการเบื้องต้นนี่มันไม่เป็นไปตามใจหวังแล้ว มันก็ต้องวางเบี้ขาลงเป็นคุณธรรมข้อสุดท้ายเลยอย่างนั้นตนเองถึงไม่มัวหมองอันนี้แหละที่ว่าน้อมพระธรรมเข้ามาสู่จิตใจทาใจของตนให้เป็นไปตามลักษณะแห่งคุณธรรมนั้นนั้น อย่าไปน้อมใจขางตนให้เป็นไปตามลักษณะอาการของกิเลสคือความโลภความโกรธเหล่านี้นะความโลภความโกรธอัลนี้มันก็มีลักษณะอาการของมันเหมือนกันนั่นแหละความโลภมันก็มีลักษณะให้เพ่งเล็งไปในสมบัติของผู้อื่นนู่นสมบัติของตนที่มีอยู่ไม่พอใจไม่จุใจไม่เต็มใจที่จะบริโภคใช้สอย อยู่เท่านั้นวางแผนคิดไปแย่งชิงเอาของผู้อื่นมาเป็นของตนอย่างนี้นี่แหละลักษณะของความโลภมันก็ต้องเรียนให้รู้เลยลักษณะของความโกรธก็หมายถึงว่าความเป็นผู้ที่ไม่ยับยั้งชั่งใจของตนห้ามใจของตนไม่ได้ในเมื่อเวลาตนผิดหวัง ทำอะไรพูดอะไรพันพันมันผิดหวังไปเช่นตนมีการงานเกี่ยวข้องกับบุคคลใดคนหนึ่งหมู่ใดหมู่หนึ่งเมื่อตอนอยากให้คนเหล่านั้นทำตามความเห็นของตอนเมื่อเขาไม่ทำตามแล้วก็มันก็ถือว่ามันผิดหวังของตัวเองเขาโ ก, กรธนี่นะนั่นแหละเพราะฉะนั้นลักษณะของโกรธนั้นเป็นอย่างนั้นคือว่า ทำอะไรไม่ได้ตามใจหวังแล้วมันก็โกรธขึ้นมาฉุนเฉียวขึ้นมานี่แหละลักษณะของความโกรธมันเป็นอย่างนั้นทีนี้ถ้าหาว่าบุคคลมีเมตตาทำกุธรรมอยู่ในใจแล้วเมื่อหากว่าใครทำอะไรพูดอะไรกระทบกระทั่งกับตนบ้างหรือว่าตนเกี่ยวข้องกับบุคคลใดเขาไม่ทำตามที่ตนปรารถนาบ้าง อา้าวมันก็วางเวรกาลงได้ถ้ามีพโมวิหารอยู่ในใจนะก็ให้ถือว่าเรื่องนั้นมันผิดหวังมันมันไม่เป็นไปตามใจหวังแล้วมันไม่เที่ยงก็แล้วไปเรามาควรไปถือมั่นไว้พราะขืนถือมั่นไว้มันก็เป็นทุกข์จิตมันก็เป็นอกุศลขึ้นมาแล้วบันนี้อจิตมันก็โลกมันก็โกรธขึ้นมาแล้วนั่น ถ้าไปถือมั่นความผิดหวังอันนั้นไว้นะมันก็สร้างบาปอากุศลขึ้นในตนเนะมื่อบุคคลมารู้อย่างนี้แล้วมันถึงได้ปล่อยได้วางมันเหละถึงไม่ยึดถือเอาไว้เรื่องผิดหวังเมื่อความผิดหวังมาถึงเข้าแล้วก็มีสติห้ามจิตแล้วก็มีปัญญาสอนจิตปลอบจิตของตนให้มันได้ถ้าเวลาที่ ทำอะไรลงไปแล้วมันเกิดสมหวังขึ้นมาเราก็ไม่เพิดเพลินเกินไปไม่ทำความปลื้มอกปลื้มใจเกินไปเพราะการทำความปลื้มใจเกินประมาณนี้นะมันเป็นกิเลสไปมันกลายเป็นความรักความใคร่ไปมันเป็นเหตุให้ยึดถือเรื่องนั้นไว้เลยแบบนี้น ะ, ะนึกว่าตนจะไม่เสื่อมจากลาบอันนั้นแหละเมื่อได้ลาบ ส ก, การะอันใดอันหนึ่งขึ้นมาแล้วนะดีอกดีใจหลายนึกว่าตนจะไม่ได้พัดภากจากลาบจากยศเหล่านั้นเลยแต่ที่แท้แล้วสิ่งเหล่านั้นมันก็ไม่เทียมือกันได้ลาบมันก็เสื่อมลาบได้ยศก็เสื่อมยศทำเหล่านี้เป็นทำคู่ไม่ใช่ทำขี้เราก็ต้องเรียนรู้ไว้ต้องรู้ล่วงหน้าไวนะ้ พอเราภาวนาพี่นายรู้ร่วงหน้าไว้อย่างนี้เมื่อเวลามันเสื่อมลงไปเราก็ไม่เสียใจเพราะเรารู้ร่วงหน้าแล้ว ร, รู้ว่า น, นี้เป็นกฎธรรมดาของโลกเมื่อมีลาบแล้วไปไ ป, ไปมันก็ลาบนั้นมันก็เสื่อมไปอ่ะไม่มีใครที่จะไม่เสื่อมจากลาบในโลกอันนี้นะ่ะท่านผู้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีหรือว่าผู้มีอํานาจบาดใหญ่ มาในโลกนี่ขนาดานับนไปชั่วนนะแล้วท่านเหล่านั้นไปไหนแล้วแล้วบ้านี้นั่นเนี่ยหายสาบศูลไปแล้วทร้อมทางลาบทางยศอะไรก็หมดไปแล้วไม่มีเหลือเลย อ, อย่างนี้แหละเราก็ต้องคิดให้มันถึงความจริงเลยทีเดียวคิดอะไรรู้อะไรเมื่อรู้ถึงความจริงของแต่ละสิ่งกต่อย่างแล้ว มันก็จะไม่สงสัยลังเลเลยอ่าก็จะตัดสินใจปล่อยวางได้ถึงเวลาปล่อยวางก็ปล่อยวางมันลงได้อ่เช่นอย่างเวลามันเสื่อมมันผิดหวังอย่างว่านี่แหละเวลามันสมหวังมาก็ไม่ปลุ่มใจไม่เพลิดเพลินไปตามเรื่องที่สมหวังนั่นเกินประมาณรู้จักยับยั้งชั่งใจไว้ใช้สติปัญญาสอนใจของตน ว่าสิ่งที่ตนได้มานะั้นมันก็ไม่เที่ยงอไปๆไมันก็เสื่อมไปหมดไปเหมือนกันแหละเงินทองเข้าของเกียตรติยศชื่อเสียงอะไรต่างๆพวกนี้นะมันจะยั่งยืนอยู่ตลอดไปหามิได้ถ้าเราใช้สติปัญญาสอนใจเข้าไปอย่างนี้นั่นแหละใจรู้ได้แล้วมันก็ไม่เพดเพลินน ะ, ะได้มามากเท่าไรมันก็เฉยๆไปอย่างนั้นแหละใจก็เป็นปกติอยู่งั้น ถ้าทำใจได้อย่างนี้นะพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นผู้รู้เท่าโลกกระทำเม่อวันไว้ไปตามโลกกระทำคือว่าความมีลาบมียศ ส, สรรเส ร, ริญเยนยอท่างๆพวกนี้พระพุทธเจ้าต ร, รัสว่าเป็นทมประจำโลกหมายเข้ามาอย่างนั้นที่ท่านเรียกว่าโลกกระทนั่นนะทำประจาโลก หมายถึงว่าเมื่อมีขันห้านี่ขึ้นมาแล้วนะมันก็มีสรรเสริญเป็นบางครั้งมันก็ถูกนินทาเป็นบางคราวอมันเป็นอยู่อย่างนี้แหละมันเจริญขึ้นเป็นบางครั้งมันก็เสื่อมลงไปเป็นบางคราวนี่ท่านจึงเรียกว่าทำประจําโลกนั่นเองเนี่ย ลาบยศสรรเสริญนะความสุขกายสบายใจหมู่นี้นะมันเป็นความสุขที่อิงอาศัยของไม่เที่ยงพูดกันอย่างง่ายๆ่มันเป็นความสุขที่อิงอาศัยของไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นเมื่อสิ่งที่ตนอาศัยว่าเป็นสุขอยู่นั้นมันแปรปวนไปไอความสุขนะั้นมันก็หายไปตามกันนะมันเป็นอย่างนี้ เพราะฉะนั้นแหละเมื่อทราบอย่างนี้แล้วก็พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจพยายามฝึกฝนอบรมจิตของตอนนี่ให้มันตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณเอาบุญเอาคุณนี่แหละเป็นอารมณ์เป็นเครื่องอยู่อย่าไปเอาสิ่งอื่นมาเป็นเครื่องอยู่ถ้าไปเอาสิ่งอื่นมาเป็นเครื่องอยู่แล้วมันเดือดร้อนเพราะบุญคุณนี่นะ มันเป็นนามมาทำมันเมื่อเราน้อมเข้ามาให้ถึงขิดถึงใจแล้วมันก็ติดสอยห้อยตามจิตใจนี่อุปการะจิตใจนี่ให้สงบให้เป็นสุขให้นักแน่นเอไม่ให้หลงไหลไปทําชั่ว ด, ด้วยกายวาจาใจนี่นะเรื่องบุญเรื่องคุณอันดีงามนี่น่ะเอะให้ทําความพอใจไว้ให้เต็มที่เลยทีเดียวเ <c oughs> พราะชีวิตของเรานี่ เราเกิดมาบุญกุศลตกแต่งให้เรามาสร้างบุญบรารมีเพื่อให้มันมากขึ้นโดยลำดับไป